อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือห1ึ่ิภิกษุเก็บไว้แล้วจึงไป2อภิกษุใช้ให้เก็บไว้แล้วจึงไป3าภิกษุบอกมอบหมายไว้แล้วจึงไป4ีภิกษุนําออกพึงแดดไว้จากไปด้วยคิดว่าจะกลับมาเก็บ5้ภิกษุมีเหตุบางอย่างขัดขวาง6กภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง7จภิกษุวิกลจริต8ปภิกษุต้นบัญญัติ ปฐมเนสนาสนะสิษยาบทที่4จบ